ความเจริญจะมีทต่ท่านสาารชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องกรรมันระสูตรคือประสูตร ท, ที่ทรงแสดงความบิบัติกับความสมบูรณ์หรือว่าสมบัติไว้อย่างละสามประการเป็นเรื่องความที่สดคล้องกันสามสูตร แล้วสูตรนั้นก็มาต่อกันด้วยนะใช้คำบางบางตอนก็อาจจะต่างกันแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วเหมือนกันท่งสแสดงว่าความบิบัติที่เป็นเหตุให้ประสบความเดือดร้อนในปัจจุบันและนำคนให้ไปบังเกิดในอบายก็มีอยู่สามเรื่องด้วยกัน เกิดเกิดในบายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งประการแรกนั้นก็คือสีลวิบัติในบางประสูตรเรียกว่ากรรมันตะวิบัตสมนความปราการกระทำที่มีความบกพร่องมีความผิดพลาดโดยทรงยกเอาการละเมิดศีลทั้งหประการ ตนนี้ถ้านักหลายคงนึกออกว่าบางครั้งเวลาพูดถึงศิลบิบัติจะพูดถึงศินขาดศินทะลุศินด่างีินพ้อยแต่ในที่นี้พงพูดเฉพาะการละเมิดศินโดยเฉพาะคือสีลห้าข้อในก่การกระทำปานาติปัดในการประทุษร้ายต่อชีวิต สัตดื่นเบียดเบียนสั ต, ด, สตดื่นในเดือดร้อนผู้ต้องการฆ่าการเบียดเบียนการประสุษร้ายการทรมานการทรกรรมการประจ์สัตว์ในรายละเอียดก็จะว่าไปใยอะแต่ในที่นี้ส่งพูดเฉพาะการคือพูดหยาบหยาบพูดระดับหยาบยาบว่ากการละเมิดสิ่งข้อที่หนึ่งคือปาณาธิปัตย รเราเห็นว่าเป็นการทำลายสิทธิของชีวิตทีต่เราพูดกันปัจจุบันเรื่องความปลอดภัยในชีวิตแต่ทรัพย์สิสนที่จริงก็อยู่ในเรื่องของศีลทั้งห้าข้อนั่นเองละเมื่อิดในสินข้ออธินาทานคือการเถือสิ่งของที่เจ้าของก็ไปได้ให้เป็นการกระทําด้วยความโลภ ก, ก็ได้ความโรกรก็ได้ หรือความหลงก็ได้แต่ยา่ด้วยความโลภ ก, ก็ตามโกรกก็ตามต้องมีความหลงอยู่การละเมิดในทางประเวณีหรือการทำลายเชื้อสายทำลายวงศ์สกุลของบุคคลอื่น mm hmm. ก็สร้างความแตแกแยกขึ้นไปในครอบครัวของเขาขเกิดก่อให้เกิดความสับสนในด้านต่างๆแล้วก็เป็นการพูด พูดเท็จ็นทรงขยายทรงขยายไปครบทั้งสี่ข้อโดยแตนที่จะพูดเฉพาะเท็จแต่ทรงแสดงว่าพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลพูดคำหยาบแล้วพูดเพ้อเจ้อพูดเลวไหพูดง่ายว่าคือวจีทุจริตสามวจีทุจริตทั้งสี่ การพูดเหล่านี้ทั้งหมดนั้นให้เราสังเกตว่าเวลาเราพูดกับคนอื่นเนี่ยเราก็พูดด้วยความโกรธบ้างความวิสยาบ้างความอาคาดพยาบาทบ้างความละโมบโลภอยากได้บ้างมันก็อยู่ในแวดวงตรงนี้จึงออกมาเป็นรูปของคาเท็จคำโซเซียลคำหยาบคำเฟอรเจอร์ต่าง ในที่บางแห่งทรงแสดงเรื่องสุราแต่ในที่นี้ไม่ไม่พูดถึงเรื่องสุราแต่ถามมาทาไมอย่างนั้นเพราะว่าเป็นการพูดในแนวของอริยมรรคคือมิจฉามรรคเพราะในมิจฉามรรคนั้นไม่มีสุราอยู่สุราเป็นอบายมุกหมายความว่าการ และเมื่อเสียนสามข้อแรกที่เรียกมิจฉากรรมันตะคือทำการงานผิดดำเนินชีวิตไปผิดแล้วก็เป็นมิจฉาวาจาคือวาจาที่ผิดทังแล้วก็เป็นเจ้อแต่ต้องอีกพระสูตรหนึ่งก็ทรงเพิ่มขึ้นในจุดนี้เรียกว่าอาชีววิบัติเป็นการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด ในชั้นของการแสวงหาในชั้นการดารงชีวิตรวมถึงในการบริโภคใช้จ่า ย, ายทรัพสมบัติอย่างที่ได้เรียงไว้ในวันก่อนให้ฟังว่าทรงแสดงไว้เป็นถึงสิบสองระดับด้ยก่มันก็หยาบแล้วก็ประณีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสองระดับหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระยบุคคลไปแล้ว ตรงนี้คือสร้างปัญหาแก่ตัวเองสร้างปัญหาครอบครัวตลอดถึงประเทศชาติสังคมเป็นส่วนรวมมีปัญหาทางเศรษฐกิจนะฮะมีปัญหาทางทางเศรษฐกิจและทางสังคมเราพูดพูด้คนก็อยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ที่ว่าปฏิบัติผิดในเรื่องวาจาในเรื่องการกระทําในเรื่องการเลี้ยงชีพแล้วก็ พูดถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจทางสังคมหรือแม้แต่ทางการเมืองการทหารรล้แล้วแต่ว่ามันมีความวิบัติในจุดนี้แล้วทรงแสดงเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นก็มาจากจุดนี้ในชาติปัจจุบันแล้วตายไปแล้วบังเกิดในบายก็เพราะว่าศีลวิบัติหรือเพราะอาชีววิบัติ คนนี้มีผลกระทบต่อคนอื่นนะฮะท่านจะเห็นว่ามีผลกระทบต่อบุคคลอื่นเพราะต้องมีการพูดมีการกระทาเป็นความผิดระดับกายกระดับวาจาแต่มันก็สืบเนื่องมาจากใจประการที่สองนั้นเรียกว่าจิตตวิบัติคือความวิความวิบัติความเสื่อมความตกต่าในด้านจิตใจ เรสงแสดงจิตสองสองประเภทนะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าหมายถึงกิเลสที่จิตที่ถูกครอบงำด้วยกิเลสทั้งหมดได้แก่จิตใจที่มีอภิชาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้ของบุคคลอื่นมุงมาดปรฐถนาที่จะได้จะมีจะเป็นต้องการจะครอบครองสิ่งเงินทองของบุคคลอื่นโดยไม่คํานึงถึงความชอบความควร ก็ที่จริงอยากได้ของบุคคลอื่นยังไงมันก็ไม่ควรอยู่แล้วแต่เราสังเกตว่าเป็นความหลากหลายในการใช้ภาษาเฉยๆแต่ตรงนี้ถ้าเรามองไปอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของอกุศลกัมบทนันเองเป็นพวกมโนทุจริตคือเป็นความคิดผิดที่ปล่อยจิตถูกเผาล้นด้วยแรงปรารถนา แล้วก็มุ่งที่จะตอบสนองแรงปรารถนาที่บังเกิดขึ้นโดยไม่สนใจว่าอะไรเป็นใครเป็นของใครเป็นระดับความคิดนะครมองระดับความคิดไม่ใช่มองระดับการกระทาการกระทาก็เป็นวิบัติข้อแรกอันนี้เป็นเรื่องอยู่อยู่ภายในใจเราแต่วก็ของลมใจเกิดความเร่าร้อนใจมันก็ตกต่ำ เ้วยอำนาความโลภที่ครอบงำซึ่งบางครั้งที่ท่านแสดงเป็นรูปของชีวิตมนุษย์ที่พูดถึงมนุษย์สัาาตว์มนุษย์ดิราชาโนมนุษยสเปโตมนุษยสเตโวมนุษยหสมนุษ์โสมนุษยสานิริโกอะไรอเนี้ยเป็นการแสดงถึงส ภ, ภาพของจิตสภาพของจิตที่ดิน้นไปด้วยอำนาจของความอยากต่างๆนั้นท่านบอกว่าเป็นมนุษสเปโต รื่งางกายเป็นมนุษย์จริงแต่ว่าจิตใจนั้นกระสันอยากปรารถนาในอารมณ์ต่างๆมันไม่สงบมันไม่อิ่มมันไม่เต็มมันไม่พอไม่จุดแล้วก็พูดถึงเปรดประเภทต่างๆนะจนมาเปรดประเภทหนึ่งนี่ค่อนข้างชัดที่ท่านบอกว่าท้องเท่าภูเขาแต่ปากทรุุเข็มเป็นการสะท้อนภาพจิตที่กินไม่รู้จักินกินไม่รู้จักพอคืออยากได้ไปเรื่อย โอ้ทองมันใหญ่ถ้ามองในแง่นามธรรมก็ชัดนะนะไอรูปธรรมเรา ย, ยังไม่เคยเห็นก็เชื่อไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนามธรรมเราชัดเพราะว่าใ จ, จที่มีความโลภนั้นตอบสนองยังไงก็ไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอแต่เป็นรูปของอภิชาอภิชาบางทีเนี่ยในอุปกรณ์แต่เนี่ยบออภิชาวิสมาโลภะคือโลภได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นก็อยากได้ไปรเรื่อย แต่ในนี้นี่ทรงชายำว่าอาิชาอภิชาเฉยเผื่อเพ่งเล็งโลภอยากได้เห็นอะไรก็อยากได้แต่เป็นระดับความคิดนะฮะระดับความคิดจึงถือว่าเป็นจิตวิบัติแต่ถ้าออกมาแล้วก็เป็นศีวิบัติเป็นอาชีววิบัติก็แล้วแต่จะทาอะไรเป็นการแสดงกระบวนการทางจิตที่ตกลงไปสู่กระแสของอวิชาแล้วก็ไหล ไหลเป็นความคิดไหลามาเป็นคําพูดแล้วมาเป็นการกระทําเป็นเรื่องเดียวกันนะนะฮะที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันแต่อยู่คนระดับกันประการที่สองก็คือความพยาบาทความอาฆาตความพยาบาทความจงเวรซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่พอใจความไม่ยินดีการกระทบกระทั่งความโกรธความมัทุสไร จะผูกใจเจ็บก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าใจมันมีแผลแรงขนาดไหนเฮได้เกิดพยาบาทนั้นไม่กําหนดว่าระดับใดผมขึ้นอยู่กับใจคนใจประเภทมีแผลก็พยาบาทได้ทั้งนั้นแม้จะถูกว่ากล่าวตัดตือนนิดหน่อยก็พยาบาทได้แล้วแต่ใจมีความเข้มแข็งแม้แต่เรื่องใหญ่ๆก็ไม่พยาบาทเราเข้าใจในกระบวนการของกรรม เราก็รู้ว่าปูนขุนทุกข์เพราะพยาบาทเหล่านี้จึงเป็นเป็นเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นแล้วคนที่พยาบาทนั่นเองจะประสบความทุกข์ทรมานโดยตัวเองคล้ายๆกับคนที่เป็นโรคประสบความดุร้อนด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ไม่มีใครแบ่งเบาให้จะปวดมากปวดน้อยเราก็ปวดก็เราคนเดียว ท่ายืนแสดงว่าเป็นไฟที่มีลักษณะเผาพรานให้เกิดความ ร, าร้อนขึ้นภายในใจและใจก็ส่ายเผ า, เาไว้รอบทิศทาง น, นะนะอาจจะประลบเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วคิดในแนวของการปลกใจเจ็บมาคาดพยาบาทหรือบางทีประลบการกระทําของเขาในปัจจุบัน้วเกิดเป็นความมาคาดพยาบาทหรือบางทีก็อาจจะคาดหมาย การหมายว่าต่อไปก็จะทำอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มีความมาคาดพยาบาทต่อกับนี้ท่านทว่าจิตวิบัติคือจิตมันตกจิตมันตกไปจากกระแสของกุศลวิบัตินี่ท่านแปลจริงๆท่านแปลว่าจิตหายนะะแต่คนไทยเป็นผู้เป็นไงคำว่าจิตหายถือก่าเป็นคำหยาบจริงๆมันก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นศัพท์เป็นภาษาเฉยๆนะมันแสดงให้เห็นภาพลัก ภาพลักษณสิ่งนั้นชัดเจนว่าไม่มีอะไรเหลือลักษณะของสิ่งหายก็คือไม่มีอะไรเหลือมันแหลกละเอียดหมดอะไรสัเนี่ยความดีความงามต่างๆมันก็ตกต่ำไปหมดเป็นการจะท้อนภาพออกมาให้ชัดคามีความหนักมีความเบาโดยการใช้าภาษาทำให้เห็นภาพแพะจริงๆมันสะท้อนนา ม, มาธรรมออกมาเป็นรูปธรรม ต่อเจนว่าความเพ่งเล็งโลภอยากได้ก็ดีความมาฆาตพยาบาทก็ดีมันเป็นนามธรรมามันเกิดขึ้นภายในใจแต่นั้นเดงเพราะาเาืดูสื่อทัานใช้ต้องใช้ออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อให้เห็นเพื่อให้เห็นว่ามันมีความรุนแรงอย่างไงบ้างนี้ก็ถือว่าเป็นจิตตวิบัติโดยประการต่อไปก็พูดถึงชีวิตวิบัติคือวิบัติในแง่ความเห็น ความวิบัติเหล่านี้บางทีเนี่ยท่านท่านท่านจะไปเอาพวกศีลวิบัติอาจาระวิบัติอาชีววิบัติทิฏฐิวิบัติตรงนี้เอาไม่เอาไม่เอาแม่เอาอาจาระมาแต่ว่าอาจาระจริงๆมันก็อยู่ในศีอยู่ในศีละวิบัติทิฏฐิวิบัติก็คือความเห็นที่เป็นความเห็นผิด ได้เคยเราเราเคยพบตรงนี้บ่อยนะคะัพบตรงนี้บ่อยเพราะว่าความเห็นผิดที่เป็นหลักแล้วก็นําไปสู่การกระทําผิดพูดผิดคิดผิดเนี่ยมันก็เริ่มมาจากความเห็นผิดตรงนี้ตลอดตึงออกมาเป็นความเห็นที่แรงแรงเป็นรูปของมิจฉาทิฏฐิแรงแรงกลายเป็นความเห็นผิดถึงหกสิบสองประเภทมันก็มาจากตรงนี้ ที่เป็นระบบประจาของอินเดียสมัยพุทธกาลหลวงพ่อทรงแสดงไว้ในพระมารยาฐานสูตร62ข้อมันก็มาจากตรงเนี้ตลอดถึงความเห็นผิดที่เกี่ยวกับกฎของกาพันธ์สารวัตรมันก็มาจากตรงนี้ทั้งนั้นเพราะฉะเวลาแสดงความเห็นผิดซึ่งเป็นหลักก็จะนับเพียง10ข้อตรงนี้ทุกทีนะฮะทุกทีเลยเราจะเจออย่างนี้ทุกที คือการเห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลอันนี้เป็นการปฏิเสธตัวผลว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำตรงนี้ไม่ได้ให้ความสุขความเจริญอะไรเป็นการปฏิเสธถึงผลซึ่งหมายความว่าปฏิเสธเหตุด้วยปฏิเสธทังเหตทั้งผล ก็คือปฏิเสธเรื่องกรรมปฏิเสธกรรมทั้งกระบวนนะฮะทั้งกระบวนของกรรมเพราะกรรมนั้นที่จริงก็คือกระบวนการของเหตุผลที่มันสืบเลื่องมาจากกุศลนะกุศลนี่ธรรมกิเลสเนะี่ยกิเลสกรรมวิบากเนี่ยแล้วย่างธรรมกิเลสเนี่ยบาทีมันก็หยาบกลางละเอียดแต่ว่ายังอยู่ในแวดวงของสังสารวัฏท่านจึงเรียกว่ากิเลส ท, าทา่านท่านในการกระทําบางอย่างมันก็ทําด้วยกุศล น, นะฮะด้วยกุศลด้เจตนาด้วยความเสียสละด้วยความเมตตากรุณาแต่ท่านก็ยังเรียกว่ากิเลสอยูนแหละเพราะยังเป็นเรื่องของสังสารวัฏพลกรรมในท่านจะพูดระดับระดับของสังสารวัฏท่านจะไม่พูดระดับมรรคนิพพานเมราะนิพพานไม่พูดเรื่องกรรมแล้วมั น, ม, น, ม, นมันเลยกรรมไปโดยเฉพาะพระอาหารหันต์นั้นจะไม่พูดเรื่องกรรม การไปเสร็จเราะการให้ทานไม่มีผลการบูชามีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแสดงถึงอาการของอวิชชาผลบเราจับมาเรียงเราเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าทรงสแสดงไว้สามข้อจริงแต่จริงแล้วก็สะท้อนอาการของโรค ก, กฎดหลงโรค ก, กฎดหลงที่หยาบออกมาทางกายทางวจจา ก็เป็นความวิบัติในด้านสีในด้านอาชีพเพราที่มีปัญหาทางสังคมทางความเรีวเร็วทางเศรษฐกิจ ท, ทางความมั่นคงอยู่ในปัจจุบันก็มาจากตรงนี้มาจากโกรคปวดหลงที่แรงแล้วก็คุมไว้ไม่อยู่ออกมาเป็นการประทุตรายเบียดเบียนบุคคลอื่นทางกายกับทางวา จ, จาแล้วก็จิตวิบัติก็เป็นความโลรโปวดหลงระดับที่ ไม่ถึงก็ออกมาข้างนอกแต่แก้ปัญหาภายในใจไม่ได้จนกลายเป็นความโลภอยากได้ของคนอื่นจนกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทของคนอื่นความไม่สงบมันก็มีอยู่ภายในใจมันก็ตกแต่พอออกมามันก็กลับไปสู่ศีลวิบัติก า, อายอจกับการชีววิบัตินะครับทิศวิบัตินั่นคือตัวความเห็นที่มีอาการของอวิชชาที่ชัดเจน ก็คือโมหะที่ชัดเจนเธอเป็นการปฏิเสธในกระบวนการของเหตุผลที่จริงเราก็ไม่รู้เหตุผลเนี่ยนะฮนะเพราะถ้าคนเข้าใจเหตุผลเขาก็ไม่ปฏิเสธในเรื่องต่อนี้ปฏิเสธโลกปฏิเสธว่าพ่อไม่มีแม่ไม่มีคำว่าปฏิเสธพ่อแม่เนี่ยพระธรราจารย์นันอธิบายว่าเป็นการปฏิเสธถึง การประพฤติตัวต่อพ่อแม่ว่าไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปนะที่จริงว่าเป็นเศษบุญบาปไม่ได้ไม่ปฏิเสธตัวพ่อตัวแม่หรอกว่าตัวตัวพ่อตัวแม่ที่จริงก็มีนีนแ่แหละแต่ว่าปฏิบัติชอบในพ่อแม่ก็ไม่มีผลปฏิบัติผิดในพ่อแม่ก็ไม่เป็นบาปอะไรปฏิบัติชอบในพ่อแม่ก็ไม่เป็นบุญอะไรอันนี้คืออันตรายนะอันตรายมากหมายความว่าไปเศษแม้ระดับอนันต์กรรมนะฮอนันต์กรรมเราจะเห็นว่ากรรมหนัก ก็คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่คนเหล่านี้ถือว่าไม่เป็นบาปอะไรมีแรงนะฮะปลุกลางโลกได้เลยอั้นความเห็นเหล่านี้จึงถือว่าเป็นทิชชีที่วิบัติเป็นความเห็นที่วิบัติและทําให้จิตของบุคคลตกไปจากความดีออกไปนอกคันลองแข่งธรรมสร้างความเลือดร้อนตั้งแก่ตนแก่บุคคลอื่นนะ้อสร้างแบบแผนที่ไม่ดีไม่งามให้โลกมันอยู่ที่ยิ่งโลกมันอยู่ไม่ได้นะฮะ โลกมันอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าคนมีความเห็นอย่างนี้กันตลอดการต่อไปก็คือปฏิเสธโลกนี้โลกหน้าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีก็เรียกว่านะันะิโลโกณะปโรโลโกหมายความว่าโลกเนี่ยที่จริงมันก็มี เราอยู่ในโลกนี้เรารู้สึกว่ามีเฉพาะโลกนี้เท่านั้นอย่างความเห็นคนในปัจจุบันเนี่ยจะมองว่าสิ่งมีชีวิตอยู่มีอยู่เฉพาะโลกนี้เท่านั้นมันก็ค่อนข้างเป็นมิจฉาทิฐิอยู่นะฮะเพราะจริงโลกมันเป็นแสนโกดจั ก, กรวาลมันอาศัยไขจั ก, กรวาลไม่รู้เท่าไร่เท่าไรมันชีวิตมันอยู่ในโลกอื่นๆอีกมากมายกายกองที่พระเจ้าทรงรู้เห็นด้วยทิปจักรสุขทรงแสดงไว้ว่า มาตรฐานชีวิตระดับมนุษย์เองนะี่ยมีโลกเป็นพันพันมีดาวเป็นพันพันดวงที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในสากลจักรวาลนะแต่สากลจักรวาลมันก็ไกลนะฮะดาวแต่ละดาบมันก็ไกลกันไปเกินติดต่อกันไม่ได้โดยกายเนื้อแต่ติดต่อกันได้โดยกายชิพไม่สามารถจะเห็นได้โดยตาเนื้อแต่เห็นได้โดยตาชิตบรรคนและประเด็นกันคนละเรื่องกัน เราไม่มีวิสัยไม่มีขีดความสามารถจะรู้เรื่องดีๆแต่พระอระหรัทนทรั้งหลายาท่านรู้ท่านเห็นแล้วก็แสดงว่ามันมีทีนี้คนที่มีความเห็นผิดมันก็ตัดสินใจเอาในลักษณะโกนกบเกิดอยู่ในสะใจแต่สินวาสามันก็ใหญ่ที่สุดคือ ท, ที่ท่านโบราณในผู้โหินค่อยในกลาครอบมันก็ตัดสินเนื้จากกลาตามปกติแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนั้น ยออกมาในรูปที่เราเรียกอัตราธิปไตยเนี่ยมหมายความว่าเอาตัวเองเป็นเกณฑ์เอาความรู้สึกนึกคิดความรู้ประสบการณ์ความเข้าใจกันตัวเองเป็นเกณฑ์เป็นเป็นเกณฑ์ในการชี้ผิดชี้ถูกคนอื่นในการตัดสินสิ่งอื่นซึ่งที่จริงแล้วมันไกลตัวเพราะคนเหล่านี้ถือว่าโลกอื่นเนี่ยโลกอื่นจากโลกของเราเนี่ไม่มีทีนี้ไอ้คนที่อยู่ในโลกอื่นอีกอ่ะมันก็ไปเห็นว่าโลกอื่นนอกจากโลกเขาไม่มีเหมือนกัน สแสดงว่ามีโลกเดียวนะฮะหมากความาแต่ละคนสัตว์โลกแต่ละโลกถือว่าโลกนั้นมีอยู่โลกเดียวแล้วก็ชีวิตเราก็จบลงที่ตายแต่การจบลงที่ตายไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไดมีความเห็นในประเด็นนี้ความเห็นว่านัตถิสัตสตาโอปปาติกาถือว่าคนแล้วตายคนที่ตายไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเกิดไม่มีก็แสดงอะไรแสดงว่า ตายแล้วก็จบคือจบที่ท่านใช้ครับว่าจบลงที่กองขี้เถ้านี่กองขี้เถ้าเป็นที่สุดอันนี้พระเจ้าทรงตำหนิมากถือว่าเป็นความเห็นผิดที่แรงเพราะมันปิดประตูสวรรค์นะปิดประตูนิพพานเลยเปิดประตูนรกโลกเดียวเลยไม่มีทางไปไหนเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการปไปเสร็จกรรม การกระทําดีทําชั่วซึ่งเป็นเหตเรื่องกรรมกระสังสารวัตรเนี่ยมันเป็นประัญหาที่ถูกเฉียงในระบบปริญาทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลและแม้ในปัจจุบันเองเราจะเห็นว่ า, าศาสนาที่เกิดหลังพุทธกาลมันก็เฉียงเรื่องสองเรื่องนี้อยู่นะเรื่องกรรมกับเรื่องทังสารวัตรพระเจ้าเองไม่ได้กระโจนก็ไปสู่วงการถกเฉียงแต่ทรงวิสูตรทดสอบโดยปรุงเอง แล้วก็เมื่อทําลายอวิชชาได้พระองค์ก็รู้ความจริงของกรรมกับสังสารวัฏด้วยอาศัยพระญาณสองข้อแรกแล้วก็ทรงมองเห็นว่าพระองค์และสัตว์อื่นมันก็หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏด้วยกิเลสกรรมบิบากเรากลายเป็นรูปที่ทรงพิจารณาอยู่ตั้งเจ็ดวันนะพิจารณากลับไปกลับไปตั้งเจดวันที่เคยพูดเรื่องใต้โูปโพธนะิญาณ วันต ร, ตรงนี้ท่านต่างหลายอย่างบางคำสั้นๆจริงนักนธิสตาอุปปาติกะแต่เป็นเรื่องใหญ่ประการแรกก็คือปฏิเสธชีวิตอื่นนอกจากกําเนิดที่เราเห็นคือเกิดในคันก็เกิดในไข่เกิดในของสกปรกแต่ถามว่าปริมาณชีวิตจํานวนของชีวิตที่เกิดในกําเนิดทั้ง3นี้จะเทียบกับโบปปาติกะแล้วเทียบไม่ได้เลยอุปปาติกะมันมากมายมหาศาลเลย แต่ไม่อยู่ในวิสัยตาที่เราเห็นเราก็ปฏิเสธตรงนี้อีกอหนึ่งในความหมายก็คือว่าคนเราตายแล้วจับใดยังมีกิเลสอยู่ก็คือหมุนวนพวกนี้ก็ปฏิเสธอีกก็ไม่มีก็แสดงว่าใช้ความรู้ที่จำกัดกันตัวเองในตัดสินสิ่งที่อยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขอีกอย่างหนึ่ง ตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องแรงเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะปฏิเสธทั้งกรรมทั้งศังสารวัแล้วข้อสุดท้ายก็คือถือว่าท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้ดีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นในรู้ตามปฏิบัติตามเนี่ยไม่มีจริงหมายความปฏิเสธบรรด า, าศาสดาทั้งหลาย ในตรงนี้ถ้าเราเรียงเป็นรูปของศรัทธาท่านจะเห็นว่าศรัทธา ท, ที่ที่ท่านแสดงไว้ในที่ต่างๆสีแห่งในสีอย่างคือระดับศรัทธาพวกนี้ก็ไม่ศรัทธาระดับทิฏฐิพวกนี้ก็เป็นนิจชาทิฏฐิซึ่งถือว่าวิบัติทั้งสองอย่างประการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามส่วนหนึ่งเราใช้ศรัทธาส่วนหนึ่งเราใช้ปัญญา แล้วก็อิงอาศัยกันและกันตลอดและทั้งศรัทธาและปัญญาก็นำไปสู่มรรคผลนิพพานได้ตลอดแต่พวกนี้ไม่ยอมไม่ยอ ม, ม, ยอมทั้งด้านศรัทาและก็ด้านปัญญาก็แสดงเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองจึงทงใช้คำวิฐิพิบัติทั้งสิบข้อเนี่ยถ้าเราสรุปเนยถ้าเราสรุปเราเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏ กับเรื่องพระพุทธเจา้าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพฤติกรรมต่างๆไม่มีผลความดีความชั่วไม่มีนะฮะความดีความชั่วไม่มีตลอดถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติปฏิบัติถูปฏิบัติผิจในพ่อแม่ไม่มีก็นี่ก็คือเรื่องงกรรมเป็นการไปเสด็จกรรมดีกรรมชั่วนั่นเองเราถือว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ตายแล้วเกิดไม่มีก็คือสังสารวัฏเป็นการไปถือสังสารวัฏ ท่านรู้ดีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนมุคคลอื่นรู้ตามไม่มีก็คือปฏิเสธพระสัตรพุทธเจ้าพระสัพพยุตยานของพุทธเจ้ า, จาก็เป็นความเห็นที่วิบัติแล้วก็จะประสบความเดือดร้อนทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นในตัวตัวการข้างบนเนี่ยพอตำเนานะตรงพูดระดับนรกเป็นเหตุบังเกิดในบายด้วย สิโลวิบัติก็มีด้วยชีววิบัติก็มีด้วยจิตตะวิบัติก็มีนะด้วยทิฏฐิวิบัติก็มีแต่ทีนี้เราเราต้องมองกลับไปที่ที่ตัวกิเลสนะฮะเราจะเห็นว่ากิเลสเนี่ยกิเลสประเภทโลภในโทษมันน้อยมันคลายช้าตอนนั้นเองโทสะนั้นโทษมากแต่คลายได้เร็วโมหะในโทษมากด้วยเราก็คลายได้ช้าด้วยเพราะไม่ฉาทิฏฐิจึงสุดยอดของบาป แม้อนาตเดกรรมยังสู้มิจฉาทิฐิไม่ได้นะครัอนาตเดกรรมยังไงยังไงมันก็มันก็นกตกนรกนานหน่อยแต่นั่นเองแต่มิจฉาทิฐิประเภทนี้เป็นมิจฉาทิฐิที่แท้เนี่ยวนิยตะมิจฉาทิฐิทรงใช้คำวมาเลียววัตตะขานุ ค, คือเป็นหลักต่อของวัตตะไม่ได้ผุดได้เกิดนะที่เขาพูดเราไม่ผุดได้ไม่ได้ผุดได้เกิดโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงกันนะ ตามคนเหล่านี้ก็คงเป็นอย่างนั้นเพราะในสมัยพุทธกาลพวกคนกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้ด้วยนะครัพุทธเจ้าสามารถเทศโปรดนักบวชในลทัทธิต่างๆได้เยอะเลยแต่นักบวชประเภทนี้เอาเขาไม่ได้เลยเราจะเห็นว่าพวกพระพุทธเจ้ า, าเทศปีแรกเจ็เดือนแรกเนี่ยนักนักบวชทั้งสามลัทธินะคร ปรภิฆุุพวกปัญญบกีเนี่ยเป็นปิฆุสุพวกชิ ด, ดินพวกรุษีพวกปริพาชกพวกนี้เป็นนักบวชประเภทประเภทมิจฉาทิฐิไม่แรงขนาดนี้พูดกันง่ายเข้าใจกันง่ายสื่อสารกันง่ายคุยกันดิดินหน่อยก็เข้าใจละมิจฉาทิฐิเหล่านี้จึงถือว่าแรงเพราะมันเป็นทั้งอุเฉตทิฐิคือความเห็นว่าขาดศูนย์แล้วก็เป็นทั้งนัตติกาทิฐิก็ถือว่าไม่มี ปฏิเสธกรรมปฏิเสธสังสารวัฏเราไม่มีปัญญาพอจะวินิจฉัยก็ปฏิเสธและจะเชื่อพระพุทธเจ้าหน่อยก็ไม่ยอมเชื่อก็กลายเป็นปฏิเสธแม้แต่สัมพันธุญาณออกไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านท่านหนึ่งเรียกว่าเป็นความวิบัติทั้งสามประการต่อไปสงชาติกับสัมปทานไอ้สัมปทานนี้ที่จริงแค่กคำสมบัติก็ได้นะฮะ เพราะในที่บางแข่งเนี่ยจะใช้คําว่าวิบัติกับสมบัติสมบัติกับวิบัติเช่นว่าอะไรเช่นพูดถึงกระบวนการของกรรมชีวิตเราที่เกี่ยวเนื่องโดยปัจจัยในอดีตกับปัจจัยในปัจจุบันว่าคติวิบัติคือสถานที่ที่เราเกิดเนี่ยคติคตินี่มันจะมีสองอย่างคือวิบัติกับสมบัติสถานที่ครอบครัวสกุลสถานะของครอบครัว สถานะเศรษฐกิจสังคมผมครอบครัวดีหรือไม่ดีล่ะถ้าดีทั้งเรียวกับสมบัติถ้าไม่ดีทั้งเรียววิบัติอุปชิคือสุขภาพร่างกายรูปร่างหน้าตาสุขภาพพลาดา ม, มัยดีหรือไม่ดีถ้าดีทั้งเรียวสมบัติถ้าไม่ดีทั้งเรียววิบัติการยุคสมัยยุคสมัยที่เราเกิดดีหรือไม่ดี เรเห็นว่าความสามารถของคนบางยุคบางสมัยบางคนมันไม่ผิดยุคถ้าเกิดเร็วไปหน่อยหรือเกิดช้าไปหน่อยเนี่ยจดีพันี้มันเกิดผิดยุคความสามารถเหล่านั้นผลงานเหล่านั้นที่แสดงออกหมาสังคมยุคนั้นไม่ยอมรับท่านก็โตไม่ได้ท่านก็ใหญ่ไม่ได้เุาพาไปอีกหลายร้อยปีคนอีงยุคหนึ่งเกิดยอมรับขึ้นมาก็ดังระเบิด นะแต่ถ้ามองท่านเหล่านี้เราจะเห็นว่าท่านเหล่านี้ในยุคสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่นก็แย่เพราะการมันวิบัติยุคสมัยมันไม่ให้แล้วก็ประโยชคะคือการกระทำของเราในแต่ละขณะจะเป็นการพูดการคิดการกระทําความเห็นในแต่ละขณะดีหรือไม่ดีนะถ้าดีท่านเรียกวิบัติถ้าไม่ดีท่านเรียกวิบัติ พวกนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดตัวนี้เป็นตัวใหญ่ที่สุดความเปลี่ยนแปลงจริงจึงเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้เป็นหลักตัวอื่นจะเป็นองค์ประกอบแค่นั้นเองแต่ในที่นี้ทรงใช้คำว่าสัมปัตทาสัมปัานั้นทาให้รามองเห็นอย่างหนึ่งว่าพูดถึงเรื่องของธรรมะเพราะธรรมะจะพูดฤศีและสัมปัตถา สัมมาตาสีรสัมมาตาจารคัสัมมาตาปัญญาสัมมาธรรมะความสมบูรณ์เนี่ยแหละผู้เรื่องสมบูรณ์เหมือนกันในจงใช้คาสัมมาตาประการแรกก็คือศีลระศีลสมบูรณ์หรืออาชีวะสมบูรณ์แต่ตรงนี้ตรงใช้คำสัมมาตานะฮะสีลสัมมาตาอาชีวะสัมมาตาหมายความว่าเป็นการปฏิบัติระดับศีลที่สมบูรณ์สมบูรณ์ระดับศีลที่จริงมันมีอยู่สองระดับ ระดับเราทําเองหรืใช้คนอื่นทำํำจันท่าสัตว์เราก็งดเว้นจากการฆ่าเองแล้วงดเว้นจากการใช้บุคคลอื่นฆ่ารักทรัพย์เราก็งดเว้นจากการลักเองใช้คนอื่นรับประพฤติผิดในกางก็งดเว้นจากการละเมิดเองแล้วงดเว้นจากการใช้บุคคลอื่นละเมิดโกหกก็งดเว้นจากการโกหกเองแล้วให้คนอื่นโกหกแทนอันนี้ก็ถือว่า ผู้สอนเสียผู้กรรมยาพูดหลายๆก็เหมือนกันนะนะฮะเหมือนกันหมายความว่าถ้าระดับศีลที่จริงแล้วมันจะมีอยู่สองระดับเท่านั้นเองทันเรียกว่าทำเองหรือใช้บุคคลอื่นทำแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราเองมือนไม่ถึงก็ผิดศีลแต่ถือว่าเป็นมิจฉาวาจาเป็นวาจาที่ผิด แต่บางอย่างเราก็ผิดศีลเราก็ผิดศีลเช่นเดียวกับที่เขาทำเช่นการฆ่าการลักการโกหกเนี่ยเราทำกับ เ, เขาทำเนี่ยเราก็บาป พ, พอกันแต่บางอย่างไม่แน่เิยให้คนอื่นก็ดื่มสุราเราเราไม่ดื่มเนี่ยเราเป็นมิจฉาวาจารเราไม่ถึงกับเป็นเราไม่ถึงก็ผิดศีลข้อสุราหรือการเมตตมิจฉาจารังพิจารณาอย่างนั้นคือเราไม่ถึงก็ผิดเป็นการเมตมิจฉาจาร์แต่เราเป็นวจีทุจริต ไอ้ น, นี้เป็นเป็นเรื่องที่ต้องมองให้ให้ละเมียดละไม่ให้มองให้เข้าใจในกระบวนการของการมะเดี๋ยวเ น, นี้ยมีการพูดมีการอธิบายบางทีพระเราก็ออกมาพูดนะเรื่องซื้อเสียงขายสีขายซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรแต่ละอย่บางองค์ก็ไปอธิบายหน้าเฉยตาเฉยไม่เป็นไรรับไปเลยรับไปเลยแล้วรับไปยอย่าเลือกอเด็กก็ถามเราไม่บาปหลวงพอ่อให้ไม่บาปอะไรหรอกไม่ได้นะ ไม่ได้นะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะเป็นผิดธรรมะเยอะเลยนะฮะเราจะเห็นว่านั่นคืออะไรคือเรารับเขาด้วยด้วยพันธะสัญญารับแล้วไม่ทําตามรับได้ไหมรับแล้วไม่ทําตามรับมันก็ผิดในแง่มุสาวาตผิดในแง่มุสาวาตและผิดในแง่ยักยอกทรัพย์เขาด้วยก็แสดงผิดศีลสองข้อผิดศีลข้ออธินนาทานกับผิดศีลข้อมุสาวาต ทำมาบาปมาปนะมันก็บาปอยู่แล้วนะมันก็บาปอยู่แล้วเพราะงั้นทำ ม, มานี่ยมันจะพูดตรงๆมันต้องมองตัวต่อไปด้วยมันต้องมองตัวไปต่อไปด้วยคล้ายๆกฎหมายนะฮะแค่กฎหมายเราดูมาตราเดียวไม่ได้ต้องดูหลายๆมาตราแล้วมันจะเชื่อมโย ง, งกันเชื่อมโยงกันแต่ละมาตรามาตราที่นั้นวักนั้นมาตรานั้นวักนั้นนะมันจะอยู่เป็นวเป็นักเป็นวักไป ต้องเข้าใจนะและอย่าลืมเจตนาจริงๆเจตนาไม่สุจริตมาตั้งแต่ต้นหมายความยังไงหมายความมันโลภอยากได้ของบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบทำตั้งใจไว้แล้วนะว่าจะโกหกเขาว่าก็คือหลอกลวงตั้งใจกกโกหกโก้เขาก็คือหลอกหลอกลวงในด้านทรัพย์เราเป็นการหลอกลวงอยากยอกทรัพย์เขาในด้านภาษาในด้านวาจาเราก็เป็นมุสาวา่า อิสีนั้งสองข้อในหลวงพ่อจยางอธิบายไม่บาดอีกนั่นคือคือต้องมองสีนมองธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่ว่านึกนึกยพูดก็พูดเรื่อยๆนะมันเป็นกระบวนการทางจิตว่าถ้ามีอาการของโรค ก, กดลงอยู่แล้วเนี่ยมันบาด ท, ทั้งนั้นแหละไม่ต้องกลัวปฏิเสธบาดไม่ได้เพราะบาปก็คืออาการที่มันซึมเนื้อมันจากโรค ก, กดลงเื่องาการเองความโรคคากกดความลง สัมปทานนั้นคือการสมบูรณ์ก็แสดงเห็นนั่นว่าความโลภความโกรธความหลงมันลดลงไปในชั้นศีลเราไม่ทำเองเราไม่ใช้บกกุคคนอื่นทำนั่นถือชั้นศีลแต่ถ้าศีลที่ประณีตศีลที่ประณีตมันเข้าถึงจิตคือไม่ยินดีในการฆ่า ไม่ยินดีในผู้ฆ่าไม่ยินดีในการรักไม่ยินดีในผู้รักหรือสิ่งที่ได้มาโดยการรักอันนี้ค่อนข้างระเมียดละไม่เช่นว่าของก็หนีภาษีมาเขาเอามาให้เราในเราไม่เอานั้นแสดงว่าจิตใจมีความระเมียดละไม่มากของลักขโมยมาเอามาให้เราเราไม่เอาราคาแพงยังไงเราก็ไม่เอา มันฆ่าถึงใจแล้วก็มีลักษณะเป็นธรรมะคือสํารวมใจสํารวมอะไรอินทรีสังวรอยู่ตอนนั้ถึงอินทรีย์สังวรไม่ยินดียินร้ายไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ในในสิ่งทั้งหลายในระดับนี้ถือว่าเป็นเป็นระดับศีลที่ประณีตทีนี้ในในการเลี้ยงชีพอาชีวะสัมปทาก็งเมือนกันอาชีวะสัมปทานั้นอยู่ในตัวกรรมันกรรมันตรสูตรนะฮะ ทรงเปลี่ยนเป็นกรรมันตะกับอาชีวะ ก, ก็เหมือนกันเป็นการขยายเรื่องศีลไปมาความมาในการเลี้ยงชีพของเราเนี่ยมันจะมีอยู่หลายระดับคุณใหญ่มันเดิมคือเจตนาล ม, มในการแสวงหาสองในวิธีการในการแสวงหาเพื่อได้มาสาช่วงของการได้มา 4. การครอบครองการถือครอง าการไว้พวกใช้สอยหรือเก็บ อ, อมก็ว่าไป้ในในกระบวนการทรัพย์สินที่มีการแสวงหาเหมือนต้องมองตัง ต, งตัวเจตนารมณ์เจตนารมในการแสวงหาเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างยากไอ้ตัวสัมมาชีพเนี่ยอิชีวะสมัมมาทาในสมบูรณ์ในการเลี้ยงชีพเนี่ยพอส่วนมากแล้วโลภมันจะวิ่งไปข้างหน้า อย่างน้อยก็แทงเกินเหตุนะฮะก็แสดงว่าโลภเกินไปเอารัดเอาเปรียบเกินไปเห็นไหมว่าเจตนาลมนั้นต้องการต้องการให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำวยเร็วแต่ทีนี้ถ้าเจตนาดีหมายความว่าไอตัวสินค้าสมมติโราผลิสินค้าตัวสินค้านั้นคุ้มค่าหรือมีคุณประโยชน์ แล้วทนทานในการใช้สอยไม่ใช่ว่าใช้ไปไม่เท่าไรพังเกิดไม่คุ้มค่าขึ้นมาตรงนี้จึงจึงกลายเป็นจิตใจที่ละเมียดละมไมหม้ความว่าอะไรหมายความว่าเรามองผู้บริโภคด้วยความเป็นมิตรมองผลประโยชน์ที่เราได้นั้นเป็นการเฉลี่ยสุกันหมายความวาเราได้เขาได้เรียกอัทธายาหิตายะเนี่ยหมายความวาสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ ประโยชน์นั้นเกือ้อกูลต่อเราและเกือ้อกูลต่อเขาไม่ใช่เกือ้อกูลเฉพาะเราแต่ต้องเกือ้อกูลต่อเขาอย่างประจากรการค้าที่ถือว่าลูกค้าก็คือเจ้านายเจ้านายคือผู้ใหญ่ที่ไม่มีคำว่าผิดแต่จริงๆก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นอะไรหรอกดังนั้นตรงนี้ที่จริงค่อนข้างทำยากแล้วก็ มีความละเมียดละไม่ยอย่างที่เคยแสดงในในพระสุกรนะที่พูดถึงการดารงชีวิตของคนว่ามันจะมีความเศร้าหมองไม่ไดเหตุสีประการประการแรกก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับทางเพศประการที่สองเรื่องการสแสวงหาประการที่สามเรื่องเงินเรื่องทองประการที่สี่ก็เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งเสษติดต่าง มันจะนําไปสู่ปัญหาต่างๆเยอะข้าราชการจะเป็นพระจะเป็นใครก็ตามนะเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่มันจะมีอสี่ปัญหาเนี่ยปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติดปัญหาเรื่องการเลี้ยงชีพปัญหาเรื่องเพศปัญหาเรื่องตัวเงินตัวรายได้รายรับรายได้ที่เราได้เนี่ยมันได้มาอย่างไงมันมีความสุจริตหรือเปล่าที่พยายามจะตรวจสอบอะไรต่ออะไรคนอื่นอยู่นะแต่ก็ มายอมตรวจสอบตัวเองแต่ว่าแนวตรงนี้ต้องตรวจสอบตัวเองไม่ใช่ตรวจสอบคนอื่นแล้วความาแต่ละคนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบตัวเองพิสูจน์ตัวเองได้ว่าทุกขั้นตอนของการดำรงชีพแม้แต่ตัวเจตนาลมมีความสุจริตใจมีความจริงใจระดับศีลไม่จะระดับนิพพานนะพูดระดับศีลก็คือเราเขมีแต่ไม่ใช่มองในแนวอรัตอภิปรบ มองในแนวที่ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แล้วก็เกื้อกูลกับบุคคลทั้งสองฝ่ายเมื่อบริโภคใช้สอยหรือซื้อหาไปแล้วก็ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือแนวของของระดับศีลสัมปทานกับเรืออาชีวะสมถาเป็นเหตุได้เกิดสวรรค์เป็นเหตุไดเเ้เกิดในสวรรค์เป็นเหตุได้เกิดรับความสุขด้วยเหตุอย่างนี้ก็ได้นะฮะทรงสแสดงว่าเหตุนี้ก็ได้ แต่คําว่าเหตุให้เราสังเกตว่ามันมันเกิดขึ้นแต่เรามองกระบวนการของกรรมหมความวม่าจิตร่เหนียวเรื่องอะไรนก่อนจะดับจิตเราก็บังเกิดในสุคติเพราะสิ่งนั้นหรือพวกพวกวิบัติก็จิตเหนียวอะไรก่อนจะดับจิตแต่เราตายไปด้วยจิตตรงนั้นเราก็บังเกิดด้วยด้วยด้วยความวิบัติตรงนั้นแล้วข้อต่อไปก็คือเรื่องของ ความคิดที่สมบูรณ์ความคิดก็คือเรื่องของการคุมความคิดได้แก่เาเรียกว่าเนคขมะสังกับปะคือความคิดที่จะมองเห็นโทษของของโรค ก, กรดหลงความอาคาตพยาบาทความริษยาความแข่งดีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแล้วพยายามลดพยายามบรรเทาพยายามคุม มันจะเกิดบาคาน้อยหน่อยคื อ, อดับไปเร็วหน่อยให้ดับไปเร็วๆหน่อยโดยการแนวปฏิบัติตามหลักของสมถะกรรมฐานที่เราปฏิบัติกันเนี้ยก็คือมันไม่ถึงก็หมดโลกโวดตรงแล้วแต่ว่าก็บรรเทาลดาความรุนแรงลงไปจนจิตใจพร้อมที่จะสละให้ปั่นออกไป นะแทนที่จะไปอยากได้คนอื่นไม่อยากได้แล้วได้มาในทางที่ชอบทำแล้วก็ไม่เก็บไว้โดยมองผลปัจจุบันและภายหน้าในในรูปของบุญญาธิท่านจะเห็นว่ามันก็มาจากโลภที่ลดลงไปแล้วก็ต้องการจึงที่ประณีตมากกว่านั้นคือต้องต้องต้องการผลยั่งยืนกว่าการบริโภคใช้สอยเฉพาะในปัจจุบันนะที่ท่านใช้คำบมาฝังไว้ในดิน อย่าที่เคยเล่าถึงความคิดนกแขกต้าโรฮอดินสัตที่พูดถึงการให้อาหารว่าส่วนหนึ่งก็คือใชน้นี้ส่วนหนึ่งก็คือให้กู้ส่วนหนึ่งก็คือทิ้งลงในเหวส่วนหนึ่งก็คือฝังดินเอาไว้ให้กู้ก็คือเลี้ยงดูครอบครัวนะฮะเลี้ยงดู ญาติพี่นออ้องครอบครัวมิ ส, สหายใช้นี้ก็คือเลี้ยงดูบุปการีเลี้ยงดูพ่อแม่แล้ทิ้งลงเหวก็คือกินเองนะบริโภคแค่สอยเมือ่อของทิ้งเราไปในเหวไม่เต็มแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ฝังดินเอาไว้ก็คือเป็นสมบัติติดตัวเป็นบุญเป็นบุญชนิดที่สมทรัพย์สม บ, บัติติดตัวก็เกิดจากความคิดที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์ ที่ตัวเองถือครองครอบครองแล้วก็ได้มาในทางที่ชอบธรรมนะฮะได้มาทางชอบธรรมเราต้องมองตรงอื่นด้วยนะมองตรงอื่นแ ล, และจะเห็นชัดว่าทั้งหมด ท, ที่จริงพูดเรื่องเดียวกันทั้งหมดเช่นพูดเรื่องการให้ทานนะพระเจ้าพูดถึงตัวเจปัจจะสรรมถาคือสิ่งที่เราให้มาเราไม่ใช่เราได้มาบริจาคทานนั้นจะต้องได้่าในทางที่บริสุทธิ์หมดจดก็หมายความว่า อาชีวะสมบัติอาชีวะสมถานะ ค, คือการเลี้ยงชีพนั้นอยู่ในคัรองของธรรมเป็นสมมาชีพและจิตใจของเรานั้นมองถึงทรัพย์สมบัติเต่า น, นั้นแหละที่ได้มาในทางที่ชข้าธรรมตนนั้นเกิดกุศลและเจตนาที่จะบริจาคบริจากนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นเบนที่พึ่งของตนเองในปัจจุบันแล้วก็ในภายภาคาอย่างคํา คำกล่าวคำถวายทานที่เราให้ทานนะให้เราสังเกตจริ ง, รงๆเราทําเพื่อเราไม่จะทําเพื่อพระหรอกเราะว่าบรื่อยตอนดุดท้ายอัมห้ากังทีคารตังหิต า, ตายะสุขายะอะไรนะอมกันเจวะยาตะการนันจะอะไรว่าไปเะแยะไปเยอะบางดีเวนนี้ต่อเยอะนะฮะต่อไปเรื่อยๆเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลา ย, ย, าลายมีมรารดาปิดาเป็นต้นทีละโลกนี้ไป ก็ดียังมีชีวิตยอยู่ดีเองแม่ตลอดการนั้นเลยไม่ได้ว่าอะไรตึมท่าเลยไม่ได้ว่าเพื่อประโยชน์แกพระคุณเจ้าอะไรไม่ได้ว่าอะไรนะฮะมันเพื่อประโยชน์แก่เราเพราะนั้นคือบุญเดียริทิปเป็นการทําเพื่อเราเองการทําเพื่อเราเองอย่างที่เคยเคยเค ย, เคยบอกไว้นะฮะว่าความคิดตรงนี้ที่คิดว่าเออเรานั้นชาวบ้านก็เลี้ยงดูเรากินข้าวชาวบ้านมาเนี่ยชาวบ้านไม่มีสิทธิ์คิดนะฮะ ถ้าคิดแล้วได้จะเกิดทวงบุญเตืองคุณและเป็นบาปแก่ตัวเองแต่ถ้าพระคิดแล้วจะเป็นบุญแก่ตัวเองเพราะคิดจะเกิดสำรวมระวังคิดจะตอบแทนบุญคุณความดีของชาวบ้านคิดจะตะปฏิบัติตนทํำตนให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านชาวบ้านคิดไม่ได้ฮะมันเหมือนกับลูกเนี่ยเหมือนเหมือนกับพ่อแม่ไอ้นี่นี่ถ้าฉันไม่เลี้ยงนี่เธอตายแล้วแล้วไปทวงบุญตรวงคุณลูกอย่างนี้บ้านแตกเลยแต่ถ้าลูกคิดแล้วลูกจะเกิดกระตันอยู่ ปัญหาว่าไอ้ตัวนี้ใครคิดน่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนคิดน่ะเราคิดกับพ่อแม่เราได้นะแต่ว่าเราคิดกับลูกเราไม่ได้เราคิดกับลูกเราไม่ได้การคิดถึงว่าเรานั้นได้รับอุปการะคุณเลี่ยงดูจากพ่อแม่อะไรอะไรนี่เป็นเรื่องลูกคิดไม่ใช่พ่อคิดพ่อแม่คิดไม่ได้คิดแล้วจะทวงบุญทวงคุณกับลูกเสร็จแล้วก็นั่งลําเลิกลูกก็เลิกเลิกเิกโคกไปเลยเดี๋ยวก็บ้านแตกกันเองนั่นคือความคิดนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุด คิดแล้วต้องมีผลในการเสริสร้างความสงบไปแก่จิตใจเพราะงั้นตรงนี้ท่านจะเห็นว่าที่ว่าจิตสัมปทาในความสมบูรณ์ความ ส, มามสงพรอของจิตก็คือว่าเวลาท่านคิดแล้วเนี่ยมันใจมันสงบมันเย็นมันรู้สึกมีที่พึ่งคานักมีความมั่นใจในชีวิตปัจจุบันเพราะว่าตัวเองก็ได้ทรัพย์สินเงินมาทรัพย์สินเงินทองมาที่เรียบโปร่งใสพิสูจน์ได้ทดสอบได้ ใครจะมีออกกฎหมายมาตรวจสอบเงินทองก็ราเราก็ได้นะมีที่ไปที่มาที่ชัดเจนเราก็สบายแล้วก็มั่นใจว่าเราทําบุญเอาไว้นะบุญนั้ทก็จะเป็นที่พึ่งขอเราได้เพราะงั้นความคิดตรงนี้มันก็ออกมาจากใจที่มองเห็นมองเห็นโทษของความโลภระดับที่เกาะติดเอาไว้ แล้วก็มีสลัดออกไม่ถึงก็ไปนิพพานนะฮะเราจะเห็นว่าพูดระดับระดับโลกไม่ได้พูดถึงเรื่องนิพพานไะดพูดแต่เพียงว่าสลัดออกคือสร้างที่พึ่งให้แก่ตนในปัจจุบันแล้วก็ที่พึ่งแก่ตนในภาพพยภาคหน้ายันเนินก็คืออัพยาบาทความไม่อาฆาตพยาบาทเราเห็นว่าคนนี้ก็ททำให้เราโกรธที่จริงเขาก็บาปแล้วเราไม่บาปนะฮะ เขาทํำให้โกรธถ้าเราไม่โกรธเนี่เราไม่บาปนะเขาบาปคนเดียวแต่เพราะถ้าเราโกรธเราก็บาปถ้าเราเด่าตอบผู้ดา่าเราก็บาปถ้าเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบเขาก็บาปเราไม่บาปเพราะงั้นตรงนี้ก็อยู่ที่ว่ามองเห็นโทษของความโกรธความมาคาดพยาบาท ตัวเองไม่ได้คิดโกรธกับใครไม่อาค่าพยาบาทใครแล้วสมมติว่าใครทําเ ร, โราโกรธอค่าพยาบาทเราก็ไม่อาค่าพยาบาทอาจจะใช้ความบดคนใช้ความเมตตาใช้ความให้อภัยก็แล้วแต่แหละแต่สรุปว่าอภิยาบาทที่จริงคือคือเมตตานะฮะคือเมตตาแต่ว่าเป็นระดับของการงดเวน้นท่านทั้งหลายลองสังเกตพุเจ้าออกครั้งแรกไม่จะเอาเมตตาสอนไม่ได้เอาเมตามเมตามันไปแลกวไป มันขึ้ไม่ได้ก็แค่อย่าพยาบาทก่อนโกรธแล้วไหมโกรธแล้วริงโกรธแล้วแต่อย่าพยาบาทกันจะเก็บไว้ก่อนเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยปรับตัวเองคําสอนยังมีลักษณะเป็นรูปบันไดคือไต่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อเทศิขาบทนะฮะคำว่าศิขาบทศีลแต่ละข้อท่านนั่งหลายเราตั้งใจศิขาบทถ้าถามมาแปลว่าไงแปลว่าขั้นของการศึกษาแต่ละก้าวของการศึกษาขึ้นเรื่อยๆรพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่วันประนีตไปเรื่อยๆรพูดเรื่องชีวิตอย่างเดียวเนี่ยประณีตไปเย ครั้งแรกก็ขออย่าฆ่าชีวิตกันก่อนขอตัวนี้ก่อนต่อมาก็ขออย่าทำอันตรายอย่าปรทุสร้ายชีวิตอย่าไปตัดแข้งตัดขาอะไรแต่ไรเขาให้อวัยวะเขามีความสมบูรณ์และอย่าทรมาณเขาอย่าทรมานเขาทำให้อึดอัดทำให้ขัดข้องทำให้เจ็บใจทำให้เจ็บปวดทำให้ล่าช้าอะไรแต่เนี่ยฮะซึ่งซึ่ซซซซึเราจะเห็นว่ามันไม่มันไม่ฆ่าหรอกแต่ว่าไปสร้างความลาบากให้แก่เขา จนถึงกับบ้าไปเรื่อยๆแม้แต่แสดงอาการโกรธให้เขาเขารู้สึกไม่สบายใจเราก็ไม่ทำเห็นไหมตรงนี้ม่จริงๆมันไม่ใช่ศีลแต่เป็นเรื่องธรรมะปฏิบัติมองด้วยความอาฆาตมาตร้ายนะแสดงให้เขารู้สึกตกใจไม่สบายใจเสียใจก็ไม่ทาก็เรียกว่ามีสายตาของความเป็นมิตรไมตรี นะมองการด้วยความเป็นมิตรสนิทสนุมจนถึงข้าถึงจิตเรานะจิตเราไม่มีความอาคตพยับยั้งเหตุแม้ ท, าาที่ยิ้มก็ตายกันเรืกเกิดสวัสดีภาพขึ้นมานเรื่อยๆทั้งแก่ตัวเองทั้งแก่สังคมทั้งแก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวมแต่ว่าไม่ใช่โปราร่าทำนะฮะก็ทำไ ป, ไปไปโดยลำดับปฏิบัติไปโดยลำดับ ประการต่อไปก็คือทิฏฐิสัมปทาได้แก่ความเห็นชอบถึงความจริงในสี่เรื่องดังกล่าวในข้อนี้ท่านทั้งหลายควนึกออกในอปันกาสูตรในสามสูตรนี้จริงชื่ออปันนาการสูตรอยู่สูตรนึงด้วยนะอปันนการนั่นแปลว่าไม่ผิดแต่นั่นเองนะะปฏิบัติไม่ผิดคิดไม่ผิดพูดไม่ผิดทําไม่ผิดเรียกอะไรก็ได้เียกว่าอปันกะเพราะาอปันนกะรจะมีเยอะ เผื่อปัญกระปฏิปทาเข้าปฏิบัติไม่ผิดอย่างนี้ก็ไม่ผิดพระเจ้าทรงแสดงว่าทั้งสิบประการนี้มีอยู่แท้ๆในปัณกสูตรนะตรงตาหนีไว้เยอะทั้งสิประการนี้มีอยู่แท้ๆโดยโดยสรุปนะฮะทรงใช้คำว่าทั้งสิบประการนี้มีอยู่แท้ๆ แ, แต่คนบางพวกในโลกนี้คิดว่าไม่มีความคิดเขาก็เป็นมิจฉาสังกปะ สิ่งเหล่านี้มีอยู่แท้แต่เขาเห็นว่าไม่มีความเห็นเขาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสิบประการนีนนนน้มีอยู่แท้แต่เขาพูดว่าไม่มีคําพูดเขาก็เป็นมิจฉาวาจาราจรติสิบประการนีน้มีอยู่แท้แต่เขาไปแนะนําสั่งสอนบุคคลเหลือเห็นว่าไม่มีเขามีคําพูดที่เป็นปฏิปป์คือขัดกับพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกไม่ตรงกับพระอรหันต์ทั้งหลายในโลก จะประสบบาปกรรมต่างๆเป็นอ mm ันมากอันนี้ก็ในปานกาสูตรทรงว่าไวอยังงั้นแต่ว่าในพระสูตรนี้ไม่อธิบายขนาดนั้นนะไม่อธิบายขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะผู้ฟังเป็นภิกษุแต่แต่ปานกสูตรนั้นผู้ฟังเป็นชาวบ้านชาวมหาสาลาชาวบ้านทั่วๆไปพระเจ้าเลยว่าจะละเอียดอธิบายจะละเอียดตัวนี้ก็พูดแค่สัมปทานวิบัติสามธรรมธาตสา คือการให้ทานก็มีผลมีผลแก่ใครมีผลแก่เรามีผลแก่ผู้รับนั่นเห็นชัดเลยเรามีผลแก่บุคคลสองฝ่ายแต่สังเกตว่าอย่างหนึ่งนะฮะบอบางทีเนี่ยเราเราไปจับโรคไว้หลงประเด็นนะแม้แต่พระเองวันทีก็หลงประเด็นพระเจ้าไม่ได้ใช้คําว่าพระกับชาวบ้านนะนะพระเจ้าไม่ได้ใช้คําอย่างนั้นใช้พฤตกรรมคือการกระทําหมายความว่าผู้กระทําในขณะนั้นเป็นใคร สมมติอัตวาให้โยบเนี่ยในขณะนั้นอามาก็เป็นเป็นผู้ให้เรียกจำนวนบาลีเรียกว่าทายกคือผู้ให้ไม่ใช่ทายกคือชาวบ้านทายกคือผู้ให้ผู้กระทําการให้ในขณะนั้นพระก็ได้ชาวบ้านก็ได้ไม่ว่าใครแล้วปฏิฆาหกคือผู้รับใครก็ได้พระรับก็ได้โยมรับก็ได้นะแม้แต่สุนัขเราก็ให้มันก็เป็นบุญนะเห็นไหมสุนัขมันก็เป็นปฏิฆาหกได้ในแง่ของ ของการกระทำถ้าพูดถึงกรรมไม่พูดถึงคนนะฮะไม่พูดถึงคนแต่เวลานี้ส่วนมากเรามักพูดถึงคนจะทําบุญก็ต้องถวายพระมันไม่จําเป็นนะฮะทำตามที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นอนุตรังบุญญเขตต่างอีกอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึง่งเราต้องการปริมาณบุญที่มากเป็นการพูดอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าบุญแล้วมันก็นทําได้ทุกคนทุกแห่ เพราะเจตานาจริงๆนั้นคือเรามองเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็เกือกูลอย่างน้อยแก่ บ, บุคคลทั้สงสฝ่ายเกือกูลแก่เราในโลกนี้เกือกูลแก่เราในโลกหน้าแต่ผู้รับทั้งเกือกูลโลกเดียวเห็นไหมกืกูลเฉพาะในปัจจุบันตอนนี้แต่เรานั้นเกือกูลแก่เราทั้งสองชาติเพราะงั้นการการให้ตรงนี้มันมองเป็นกระบวนการมองเป็นเป็นเป็นกระบวนการแบบน้ําไหลเนี่ยนะมองเห็นอดีตอนาคตปัจจุบัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออนาคตอ น, นาคตที่ทรงแสดงผลของความดีความชั่วว่ามันให้ผลในชาติหน้าให้ผลในชาติต่อไปให้ผลในชาติต่อต่อไปเห็นไหมฮมันจะมีลักษณะต่อต่อต่อไปแต่ว่าเราทําเราจริงเราก็ทําในชาติเดียวแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆแต่ว่าการให้ผลให้ผลยาวเหมือนอะไรเหมือนกับการปลูกพืชจะทรงอุป ม, มาการปลูกพืช เห็นไหมปลูกพืชเราก็ใช้ความอยากไม่มากแต่เวลาให้ผลให้ผลนานเราตายไปแล้วลูกหลานยังได้กินนีู่เลยนั่นคือลักษณะของกรรมการให้ทานมีผลการบูชามีผลพิธีกรรมต่างๆก็มีผลแม่มีคุณการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อมารดานั้นคือพระอรหันต์เหมือนปฏิบัติชอบต่อพระอรหันต์การบัตรผิดต่อมารดาบิดาเหมือนกับปฏิบัติผิดต่อพระอรหันต์คือมีค่าเท่ากันนะฮะทั้งดีทั้งไม่ดี เราแสดงว่ามีผลที่เป็นการเกื้อกูลแก่เราในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าแล้วก็ชาติหน้าในชาติต่ อ, ตอไปอีกเห็นว่าพวกพวกบุญที่จะเรียกเราอนุกามินีคือติดตามเราไปได้่อยแบบเงาที่ติดตามตัวไปโลกนี้มีโลกหน้ามุพรเจ้านั้นเป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกเราไม่รู้เราก็เชื่อรู้ได้จะจะจะทรงสแสดงสากลจักรวาลแสนโกดจักรวาลสงไขจักรวาลเราก็เชื่อแต่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไร พรชีวิตเหล่านั้นก็คือกระบวนการธรรมชาติตันั่นเองจะเป็นอะไรก็ตามก็คือกระบวนการธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากกิเลสกรรมวิปากแต่ละคนนั้นก็มาด้วยตัวของเองอยู่ด้วยตัวของเองแล้วก็ไปโดยกรรมของตัวเองไม่ว่าจะในโลกนี้หรือโลกใดก็ตามการกระทําทั้งดีทั้งชั่วจึงมีสแสดงว่าบาปบุญมีเนะชื่อบาปชื่อบุญนะพู ด, พดง่ายๆเชื่อบาปชื่อบุญ แล้วก็เห็นว่าชีวิตนั้นตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ตายแล้วก็ต้องเกิดอีกตรงนี้เราจึงพบว่าอะไรก็ตามที่เป็นความดีความชั่วที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยแต่พูดถึงอานิสงส์แล้วจะพูดถึงผลที่เราจะได้ในชาตินี้ด้วยแล้วก็ชาติต่อๆไปด้วย นะเช่นศีลศีลสมข้อแอะอนิสงศีลนี่เห็นในชัดมากที่เราสีเลนะสุกติยันติเในชาติหน้านะฮะศีเลนะโภกัสัมปทาชาตินี้สีเลนนิบุติงยันติชาติต่อๆไปก็แสดงว่ามีผลในชาตินี้ในชาติหน้าและชาติต่อๆไปที่เราพูดว่าเป็นอุบันิสัยปัดใจแห่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการเบิงหน้าโน้นเทถิดนะฮะที่ทีเวลาตวายฐานอะไรนั้นก็แสดงว่าผลของการกระทําดีหรือการกระทําชั่ว มันจะติดตามเราไปแล้วก็ให้ผลแกเราได้ในภพชาติต่างๆตามกระบวนการของกรรมแล้วก็เชื่อว่าท่านที่รู้ดีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามนั้นมีอยู่ก็เชื่อเห็นชอบในพระปัญญาเครื่องสัสรูของพระพุทธเจ้าวันก่อนพบท่านผู้หนึ่งท่านบอกว่า คือการติงเรื่องคนบางค น, นนั่นก็ไม่จริงอั น, นี้ก็ไม่จริงนะถ้าถือว่าเราชวนกันปฏิเสธไม่จริงไม่จริงแล้วก็นั่งพูดไปเฉิบเชลียอย่างนี้นะโดยไม่ดูที่ไปที่มาของสิ่งเหล่านั้นคําสอนของสิ่งเหล่านั้นว่าถ้าไม่จริงแล้วมันมันสืบต่อกลับมาได้ยังไงทั้งสองพันกว่าปีคนให้ความเคารพนะับถือเทษทูลคําสอนเหล่านี้ไว้ในะที่สูงแนละ้วเราเกิดแววมาสองสาวันนะั่นเอง จมปฏิเสธของซึ่งซึ่งมันมีที่ไปที่มาที่ยิ่งใหญ่ก็เกินนี่ยนะแล้วในสุขมันก็เป็นการทำลายศาสนาเพราะตรงนี้ถ้าเราจับหลักมั่นไว้ที่พระพุทธเจ้าเราเชื่อหรือเรื่อการศัตรูของพระพุทธเจ้าก็ทําให้เชื่อผลที่เกิดขึ้นจากการศัตรูที่เราเข้าใจไม่จริงนั้นเพราะเรายังไม่รู้จริงแต่นั้นเอง หลายอย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตเลยท่านต่างหลายว่าแมแ้ระดับการศึกษาเรียนรู้การอ่านเนี่ยนะการอ่านตำรากับการคิดไปเรื่อยๆอ่านและคิดไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งอ่านมากยิ่งค้นความมากยิ่งเชื่อมากนะฮะแล้วในสุดจะเชื่อหมดเลยทุกตัวอักษรเลยน ะ, ะเคยสังเกตมามาเยอะเลยคนระดับนักปราชญ์ที่เชื่อหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันสัมผัสตรงได้ไปโดยลําดับ แล้วก็ทำให้ส่วนหนึ่งเราไม่สามารถสัมผัสได้เราก็เชื่อตางรูจ้จ้าทรงสแสดงเอาไว้และนี้ท่านเรียกว่าเป็นกรรมมันโดยสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความวิบัติสามอย่างแล้วก็สัมปทานสามอย่างซึ่งตัวการใหญ่ก็เกิดขึ้นมาจากวิบัติก็เกิดขึ้นมาจากอาวิชชานะฮะแล้วก็เป็นอาการของวิชาที่ออกมาเป็นรูงความโรคปวดหลง เป็นการเรียงจากหยาบไปหาละเอียดหมายความจากการกระทําทางกายทางวาจาออกมาไปสู่ความคิดออกมาเป็นตัวหลักคือความเห็นก็กลายเป็นความเห็นชอบสายหนึ่งความเห็นผิดสายไอ้ไปจ่ายความเห็นผิดสายหนึ่งความเห็นชอบสายหนึ่งถามความเห็นผิดมาจากอะไรก็มาจากวิชาความเห็นชอบมาจากอะไรก็มาจากวิชาคือคือคือความรู้ก็สรุปว่าที่จริงก็เป็นสะท้อนอาการความเห็นของวิชาทิ่ติกับธรรมทิฏฐิ มาธิทิฏฐิก็นำไปสู่สัมมาทัยคือความสมบูรณ์พร้อมในสามเรื่องสี่เรื่องนาิชาหรือว่ามิจชาทิฏฐิก็นำไปสู่ความมิบททัติทในสามเรื่องสี่เรื่องดังกล่าวสาหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ใยเวลาเป็นทอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธารณนายโดยทักก่วการทุกท่านถือ